เรื่องนิดเดียวยึดว่าใหญ่มันก็ใหญ่เรื่องใหญ่โตถือว่าเล็กมันก็เล็กขนาดของความยึดคือเครื่องวัดของขนาดเรื่องเรื่องใหญ่เพราะใจยึดมากเรื่องเล็กเพราะใจยึดน้อยชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จะทำงานใหญ่ไม่ได้มีความสุขบ่อยๆไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ เพราะแยกให้ออกว่านี่แค่เรื่องเล็กไม่ได้หลุดพ้นจากเรื่องเล็กน้อยไม่ได้จึงมีจิตใหญ่ขึ้นไม่ได้ฝึกทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กจึงค่อยทำงานใหญ่ได้มีความสุขบ่อยๆได้เป็นผู้ใหญ่ได้เพราะดูออกว่านั้นแค่เรื่องเล็กน้อยได้ทิ้งเรื่องเล็กไปเอาใจใส่กับเป้าหมายใหญ่ได้จึงมีจิตใหญ่ขึ้นได้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 รวมทั้งต่อไปข้างหน้าชีวิตจะสับสนโลมานไม่เลิกแต่ทัาตศิลป์ถูกว่าเรื่องใดสำคัญที่สุดเรื่องสำคัญรองรองลงมาจะค่อยๆท ย, ยอยตามมาเองเรอระบบวิธีคิดถูกจุดชนวนให้ทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนมองทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเป็นแบบฝึกหัดหากคิดอะไรไม่ออกลำดับอะไรไม่ถูกให้พึ่งกระดาษปากกา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 ให้งัดกระดาษมาอ่านดูว่าเราอยู่ตรงไหนขณะนั้นต้องคิดเรื่องอะไรต้องจัดการเรื่องราวใดให้ลุล่วงไม่เคว้ไปทางอื่นฝึกกำกับตัวเองได้ไม่กี่วันจะรู้สึกว่าคุณคิดเป็นระบบระเบียบขึ้นอาจจะเพราะค้นพบว่าไม่ใช่มีแต่า ง, งานที่เสร็จแต่อารมณ์สับสวนวกวนจะเสร็จด้วยส่วนเรื่องใหญ่ที่ทำเสร็จไม่ใช่เสร็จแต่า ง, งาน